เสียบทะลุเข้ากลางลำตัวของเจ้าทรโมนคราลายตัวที่สองอาการไม่ผิดอะไรกับฉมวกแทงปลาเจ้าลิงหานผู้น่าสงสารและติดหลังดารินมาต่อยต่อยตัวนั้นไม่ได้ร้องรุดินลนเลยแม้แต่น้อยวิญญาณมันหลุดลอยออกจากร่างทันทีแล้วร่างปราศจากชีวิตของมันก็ถูกสะบัดลอยคว้างขึ้นไปกลางอากาศสูงเกือบถึงยอดไม้ในบริเวณนั้น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 สัตว์มนุษย์มันห่อตะบึงพร้อมกับแผดคำรามราวกับฟ้าร้องพุ่งเข้าควิดชนต้นไม้ต้นหนึ่งที่แลเห็นศัตรูของมันอีกตัวหนึ่งเพ่นหนีขึ้น ห, อห้อยโหนอยู่บนนั้นกะจใจพิ น, นาศทั้งทลายลงมาทั้งต้นไม้และเจ้าลิงที่หลบภัยอยู่ด้วยพลังของสัตว์ประเภทไดโนเสาร์เสียงคลื่นกึกก้องสะท้านไปทั้งหุบหิน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 พร้อมกับร้องออกมาสุดเสียงด้วยความตกใจร่วงหล่นหายไปในหุบลึกเบื้องล่างอนาคตของมันจะเป็นอย่างไรทายไม่ถูกปลายกิ่งของต้นไม้สูงฉลุดต้นนั้นแหวกอากาศฟาดอู้ลงมาตรงตำแหน่งหมู่หินริมทางที่พรานใหญ่กับดารินสุดหมอบอยู่ระพินตกใจท่าชีวิตหลุดออกจากร่างเขามาได้สติเอาตอนที่กิ่งไม้ฟาดลงมานั่นเอง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 ทหารพระรามทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายกันออกไปราวกับพึ่งแตกรางก็ซุ่มหลบตัวเงียบกันไปหมดราวกับพวกมันจะรู้ตัวได้ดีที่สุดว่าหากรกระตกกระตากออกไปในยามนี้ก็เท่ากับเรียกมฤตยูให้รู้ที่ซ่อนหลบตัวและพุ่งขบฏขยี้ซึ่งพวกมันไม่มีทางจะต่อสู้ใดๆดได้ทั้งสิ้นนอกจากคอยหลีกลบเอาตัวรอดราาักัน มันเป็นขณะจิตที่ระพินไทรวันต้องว้าวุ่นใจขีดสุดสถานการณ์ของเขาเลวร้ายสิ้นดีเอาตอนที่บัดนี้ไม่รู้จะไปงมหาไรเฟิลกระไฟฉายได้ที่ไหนก่อนที่ไอ้มหาการนั่นจะพุ่งเข้ามาถึงตู้ในขณะเดียวกันก็เป็นห่วงดารินขีดสุดจากการที่ไม่รู้สภาพของหล่อนในยามนี้เจ้าสัตว์ครึ่งแรกครึ่งช้าง ซึ่งเป็นต้นระกูลของสัตว์ลื้อครานประเภทมีเขาสำแดงอาการเคลื่อนไหวชา้าๆฟังด้วยประสาทหูอันชำนานน่าจะทายได้ว่ามันกำลังหมุนตัวเพื่อเม่นหาสัตรปูอันดับต่อไปและดูทีถ้าจะสงสัยอยู่เป็นอันมากว่าภายใต้ยอดไม้อันหนาทึบที่ล้มกองพเนเินอยู่นั้นน่าจะมีเยื่อของมันหลบซ่อนอยู่ ดารินวราริษยามนี้ก็เงียบจริงๆเงียบใะจนเขาอดคิดไม่ได้ว่าลอนอาจหมดลมหายใจไปแล้วก็ได้ส่วนไอ้ลิงเวณพวกนั้นก็พากันหดหัวตัวรอดกันไปหมดนรกจะกระเปร่อะไรเช่นนี้ผ่านพระชนไัยกับมหันตภัยชีวิตเสี่ยงกับความเป็นความตายมาสนักต่อนักครานใหญ่ับพินไม่เคยต้องตกอยู่ในภาวะที่ตัดสินใจอะไรไม่ถูกเช่นนี้มาก่อน ทั้งทัที่เขาก็ไม่เคยประมาณการไว้ก่อนเลยว่าเจ้าไสเทรอท็อปจะเป็นปัญหาอะไรมากมายเกินไปนักคว่าที่รู้แน่แน่ในขณะนี้ก็แง่สายพลาดไปคนหนึ่งแล้วพลาดอย่งางไทยอนาคตไม่ถูกวก็ใจหายว่าเมื่อได้ยินเสียงมันคำรามออกมาเบาๆอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเอาหัวขวิดชนคนต้นไม้ต้นนั้น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 เป็นการบอกให้มันรู้ตัวจึงได้แต่ยืนนิ่งนึกสะบดสราบแช่งเหตุการณ์อยู่ไอ้ยักษ์สามเขาเริ่มเคลื่อนที่แผ่นดินลั่นคือๆๆออีกแล้วฟังได้แน่ว่ามันกำลังคลานเข้ามายังกลุ่มของกอ ง, กองใบไม้ที่สูมอยู่อย่างช่ช้าเขาไม่แน่ใจในระบบคาณประศาสตร์ของมันนักว่าจะเชียบไว้สักขนาดไหนแต่อย่างน้อยก็รู้ว่าที่มันยืนอยู่นั้นเป็นตำแหน่งใต้ลุ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 เมื่อนั้น <ST AN CE> เขาได้ยินเสียงกระสุนนัดหนึ่งระเบิดขึ้นใกล้ๆจนแก้วหูแทบราวกลบสับเสียงสำเนเียงใดๆหมดสิ้นชั่วขณะมันเป็นเสียงจุด300ศูนย์เ์เวทเมกซึ่งดังมาจากบริเวณกองไม้ไม่ห่างออกไปทางด้านขวามือของเขาเท่าไรนั่นเองด้วยสัญชาตญาณอันเจนกับการต่อสู้รพินไม่จาเป็นจะต้องรอฟงัง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 เขาก็โจรตลุยข้ามใบไม้ข่ะไปยังตำแหน่งนั้นเหมือนหอะคุณหญิงส่งปืนกระไฟฉายผมเร็วเขาร้องออกไปเช่นนั้นแต่จะฟังเป็นภาษาหรือไม่ไม่ทราบได้วิบตาเดียวก็ถึงตัวกระชากไรเฟินจากมือหญิงสาวซึ่งยังไม่ทันสลัดปอกกระสุนออกปิดมือมาด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลบเร็วเท่าที่จะชิงแข่งกับชีวิตของตนเองส่งกระสุนนัดที่สองขึ้นรังเพลิงไถ่เราเข้าไปในกิ่งไม้ เร็วหรือต่อไปและไม่อาจเห็นได้ว่าอีกฝ่ายจะปฏิบัติตามหรือไม่ระพินก็ประเคนมาทีสองเขาใส่เงาอันมะหือมานั้นเขายิงยิงด้วยระสานสัมพันธ์และสัญชาติยานพรานอีกตู้มที่ดังเหมือนฟ้าแตกคราวนี้เองที่ได้ยินเสียงร้องแสดงถึงผลแห่งกระสุนนันสำเนียงของมันบอกถึงความเจ็บปวดรวดราว ไฟใช้จากดารินเบนวูบว่าไปทางอื่นในขณะที่เขากระโจนก็ปะทะแยกปืนในครั้งแรกแต่ทันทีที่เขายิงนับที่สองของปืนกระบอกนั้นโฟกัสไฟก็สาดจ้าไปยังเป้าหมายที่ทําให้พอเห็นอะไรได้ในชั่วพริบตาไอ้ยักษ์สามเขาในท่าที่หันก้นให้บ่ายหัวไปทางหมูก้อนหินใหญ่อันยังเป็นท่าที่มันวิ่งเข้าไปไล่เจ้าธรรมลตัวที่ทําเสียงล่อนั่นเอง ถูกทวงสมอไว้ชั่วขณะหนึ่งขาหลังด้านซ้ายและขวาของมันอันใหญ่โตมาคือ ม, มายิ่งกว่าขาช้างแต่สั้นมอต่อกว่ามากบัตรนี้คลักแดงฉานไปด้วยเลือดกำลังไหลปรีราวกับท่อปลาแตกทั้งดารินและเขายิงจากกระบอกเดียวกันกระทบกลางกระดูกขาหลังของมันใกล้เคียงกับตะโพกอย่างจังและบัตรนี้ มันกำลังอ้าปากว้างพยายามตะแคงสีษะจะเอี้ยวมาเบื้องหลังเพื่อจะดึงร่างกายอันใหญ่โตหมุนกลับมาด้วยแต่ความคล่องแคล่วไหวายหมดสิ้นไปซะแล้วในเมื่อกระดูกขาแตกเป็นเสียงอยู่ภายในก้อนเนื้อหนาทึบด้วยแรงประทะมหาศาลของหัวกระสุนเล็กๆที่เคยดัดไอ้แหว่งมาแล้วสังเราเจ้าของปืนเต้นราตะโกนสุดเสียงกรอกูเขา รนไม่ได้หลบไปไหนตามที่เขาต้องการหากไปช่วยฉายไฟให้เจ้าทหารพระราณที่แต่เดิมหดหัวกันไปหมดนั้นบัดนี้พอพรวดออกมาจากซอกหินรอบด้านไปหมดทางเบื้องหน้าของเจ้าไซเทราทัพที่โดนยิงแล้วพวกมันแยกเขี้ยวยิงฟันช่วยกันทำท่าพรูเข้ามาเพื่อลอกล่อสร้างความผวงของไอ้มหาการไว้เสียงโครุ่คราคราโวยวายกึกก้องโกลาหนไปทั่ว ไอ้ยักษ์สะบัดตัวดิ้นรนอยู่ไปมามันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะหันก็ามาขยี้ทางด้านไหนดีเบื้องหน้าไอ้ฝูงธมอนที่แสดงท่าล่อหลอกอยู่เหล่านั้นหรือเบื้องหลังมนุษย์ตัวเจ้ดจอยสองคนที่สงความเจ็บปวดพร้อมกับเสียงดังปานพลาฟ้าผ่ามาที่มันรพินสลักบอกกระสุนในครั้งนี้อย่างใจเย็นที่สุดกัดกรามแน่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 กลับไปล่อให้ไล่อยู่เบื้องหน้าจะตะโกนบอกมันให้หลบไปเช่นไรก็ไม่เป็นผลหรือรู้เรื่องกันได้ถ้ากลางความชุลมุนฉุกลระหุกเช่นนั้นมีอยู่วิธีเดียวที่จะเรียกความสนใจรอให้มันแววนกลับมาทางเขาไม่ใช่มันพะวงไล่ไอลิงพวกนั้นระพินเทนพวดออกไปทันที วิ่งเขาใส่มันจนใกล้ประมาณสี่ห้าว่าท่ามกลางกางรร้องห้ามเสียงหลงของดารินผู้แทกจะเป็นบ้าตายเพราะเลเห็นเขาได้ชัดมันก็หลงกลแว้งตัวยักแย่ยักยันเพราะขาหลังมีอาการขัดไม่สะดวกหันกลับมาทันทีไม่ทันใจยังสะบัดหัวควิดปังเอาก้อนหินเึืองเคืองขนาดกรกตั้มข้าวที่เกะ ก, กะอยู่ใกล้ กลกระจายไปยังราวก็ถูกระเบิดดันวาระนั้นจอมพรานก็ประทับไรเฟิลขึ้นกดตูมยังเผาขนเข้าไปที่ขมับใกล้เคียงกับดวงตาข้างขวาอย่างถนัดถนีที่สุดวาระนั้นจอมพรานก็ประทับไ ร, บ ร, บรเฟิลขึ้นกดตูมยังเผาขนเข้าไปที่ขมับใกล้เคียงกับดวงตาข้างขวาอย่างถนัดถนีที่สุด เขายิงยิ ง, ย, งยางระพินไทรวันยิงสั่งไดโนเสาร์สามเขาศัตรูคู่พิฆาตของชาวนาครลิงทั้งหลายชะนักนิ่งกับที่อย่างกระทันหันราวกับถูกเข็มตรึงวินาทีต่อมามันก็เสือกลายสุดช่วงพุ่งไปยังเบื้องหนะ้าในทิศทางซึ่งขณะนั้นศีรษะยังหันมาไม่ตรงกับคู่ต่อสู้ของมันได้ถนัดนัก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 ก็ช้ากว่านักล่าผู้ชำนาญและจัดเจนต่อปฏิกิยาต่อสู้โตอตอบของสัตว์ทุกชนิดในพิภพนี้เพราะภายหลังที่กดตูมเขาให้แล้วตัวเขาเองก็สปริงกายถอยห่างออกไปพ้นระยะรัศมีปลายหางบางชิดก้อนหินใหญ่ด้านตรงข้ามแล้วก็รอดูฤทธิดเดชของมันต่อไปด้วยใจอันเกรงกล้าเย็นเยียมนัดต่อไป พร้อมที่จะลั่นถ้าจำเป็นแต่มันไม่จำเป็นซะและ้วภายหลังจากที่ชนก้อนหินที่ขวางหน้ากระจายไปร่างทรงเตี้ยข่อมใตใหญ่โตปานภูเขาเหล่ากาของมันก็ทลํำหลุดพ้นแนวทางด่านกลิง้งลงไปตามแนวอันลาดชันของหุบเบื้องล่างนั้นไม่มีเสียงร้องใดๆจากมันทั้งสิน้น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 บางส่วนก็วิ่งไปยืนดูอยู่ริมหน้าผาตรงตำแหน่งที่ไอสามเขามาหาการกริงหลุดเป็นทางราบลงไปคุณหญิงเป็นอะไรหรือเปล่าครับระพินร้องเร็วหรือด้วยเสียงสัน่นไม่ไม่ไม่เป็นไรคุณละ่ะราชสกุลสาวละล่ำละลักตอบเต็ม ไ, ได้วยความยินดีกอดเขาไว้แน่นอยู่เช่นนั้นพรานใหญ่ไม่มีเวลาที่จะสนใจกับสิ่งใดได้ต่อไป คว้าไฟฉายจากดารินมาถือไว้ในมือเดี๋ยวครับผมจะไปดูแง้สายก่อนครับเขาพูดพร้อมกับออกวิ่งสวนไปตามเส้นทางนั้นโดยเร็วดารินก็เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้แลน่นตามหลังเข้าไปติดๆปากของหลอนก็ตะโกนเรียกชื่อเจ้าองค์รักประจำตัวไปพลางไม่ขาดเสียงเงาของธมวนใหญ่อีกตัวหนึ่งกระโดดลงไปจากยอดหินริมทางพอมองเห็นได้ถนัดระพินก็ร้องออกมานีล อากับกิริยาของนีลายามนี้สอยเห็นถึงความเร่าร้อนกระสับกระส่ายขีดสุดมันร้องเสียงทีๆในลำคอปัดมืออยู่ไปมายุ่งไปหมดแล้วออกวิ่งล้ำหน้าระพินนาไปก่อนทำให้เขาไม่จำเป็นต้องค้นหาทางหรือตรวจร่องรอยใดๆอีกแล้วนอกจากตามการนาของมันไปตามเส้นทางใหญ่ในระหว่างหมู่ก้อนหินที่ขึ้นอยู่สองฝั่งนั้น ดารินตะเบงเสียงเรียกแงซ า, ายอยู่เช่นนั้นตลอดทางที่รีบรุดกันมาแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงวีวแววการตอบรับใดๆทั้งสิน้นยิ่งทําให้ใจแทบไม่เหลืออยู่เลยแงซ า, ายแงซ า, ายโธแงซ า, ายหล่อนครวญครางมีอาการเหมือนจะร้องไห้ทําใจดีๆไหมครับคุณหญิงอย่างมากที่สุดเขาก็กระซิบปลอบโยนหล่อนได้เพียงแค่นั้น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 หินก้อนนี้เคลื่อนห่างจากที่เดิมเป็นระยะทางถึงสี่เมตรเศษกว่าจะมาปะทะอัดเข้ากับอีกหนึ่งแล้ววางเกยเบียดพิงกันอยู่เช่นนั้นนีลากระโดดเข้าไปที่หินซึ่งกริงเข้ามาปะทะชนกับก้อนนั้นส่งเสียงร้องกระซาวทีรัวก้มๆเงยๆอยู่ตรงนั้นบางขณะก็แสดงอาการเหมือนจะผลักดันหินให้แยกจากกันออกไป มือของระพินทร์ไทรวันสั่นขณะที่ใช้ไฟจับนิ่งไปยังก้อนหินคู่นั้นเงี้ยเขาร้องขึ้นเสียงหนักๆอย่างลืมตัวเงียบไม่มีเสียงตอบใดๆทั้งสิ้นนอกจากเสียงร้องระงมของเจ้านีลาเอามือตีอกชกหัวอยู่ตรงนั้นขณะนี้พวกธรรมน์ที่เหลืออยู่ในกลุ่มนั้นทั้งหลายก็เข้ามามุงรายล้อม ช่วยกันส่งเสียงแซ่อึงมี่ไปหมดแต่ละตัววิ่งพลาดวนร อ, รอบรอบก้อนหินระพินหันไปมองหน้าน้องสาวนายจ้างซึ่งยืนหน้าขาวเผือดริมฝีปากสั่นอยู่แล้วเอื้อมือไปกุมข้อมือหญิงสาวไวเขารู้สึกว่ามือของหม่อมราชวงศ์หญิงดารินเย็นราวกับน้ำแข็งจู่มือเดินตรงเข้าไปยังหินก้อนนั้นด้วยความรู้สึกอันยากจะบรรยายถูก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 กลืนหายเข้าไปหมดห่างจากตำแหน่งพานท้ายปืนที่โผลออกมาประมาณวาเศษฉายไฟไล่ละตามคอไปก็พบเศษผ้าผืนหนึ่งโผล่ล้ำออกมาดารินกระชากออกมาโดยแรงเลียวยกขึ้นจ้องด้วยดวงตาเบิกกว้างทั้งสองจำได้ดีที่สุดมันคือผ้าขาดหัวสีดำของแง่าย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 สเมตรลักษณะของมันเหมือนแท่นหกเหลี่ยมคะเนน้ําหนักว่าไม่ต่ากว่าสิบห้าตันส่วนก้อนที่ยืนอยู่กับที่เป็นหัวตัโ ง, งกแง่หินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาซีขวามือที่ทอดต่ําลงมาลักษณะเดิมของมันก่อนที่จะถูกอีกก้อนเข้ามาเบียดชิดนั้นเป็นพุ่มไม้เตี้ยๆขึ้นอยู่ตรงด้านหน้า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 ประโยกต่อไปหล่อนร้องดังขึ้นในลักษณะกรีดก้องโผก็มาเขย่าไหลของรบพินโดยแรงรบพินคุณเดินหาดูให้ทั่วเถอะเขาต้องหลบอยู่แถวนี้แหละตอนที่มันพุ่งเข้าใส่เพียงแต่ว่าเขาทำปืนหรือผ้าพกอขวตกไว้ตะโกนเรียกเขาสิเงยาซเงยาซายแล้วหล่อนก็แผดเสียงหลงเหมือนคนหมดสติระพินอุดปากหญิงสาวไวแน่น เมื่อ น, นั้นเองหล่อนจึงรู้สึกตนขึ้นมาอีกครั้งอย่าเรียกเลยครับคุณหญิงไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นครับไงสายไม่สามารถจะตอบคำเรียกของเราได้อีกต่อไปแล้วล่ะครับละพินฉันไม่เชื่อผมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันครับคุณหญิง ไม่เห็นร่องรอยอะไรทางด้านอื่นบ้างเลยเหรอฉันบอกแล้วว่าเขาอาจทําปืนกับผ้าพวกหัวตกไว้ไงตัวเองเห็นนี้รอดไปได้ไงคุณหญิงครับถ้าเขาอยู่ที่อื่นน อ, น, อ น, นอกจากใต้หินก้อนนอกจากใต้หินก้อนนี้นีลากับลิงพวกนั้นก็จะบอกเราแล้วล่ะครับพารานใหญ่พูดเสียงเครือพยายามข่มความรู้สึกเต็มที่ ดวงตาที่แลประสานหล่อนคู่นั้นแห้งผากสิ้นหวังมันจะต้องเป็นเหตุการณ์กระทันหันที่สุดขณะที่แง่สายกับนีลาเผชิญกับไอ้สามเขานั่น <c oughs> เ้าไม่ทันรู้ตัวล่วงหน้ามาก่อนว่ามันไต่าทางขึ้นมาได้สำเร็จและแอบซุ่มคุมเชิงอยู่แล้วพอได้ระยะมันก็พรวดเข้าใส่แง่สายหลบเข้าไปบังอยู่หลังหินก้อนนี้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 รือมอแมลงเล็กๆดารินกายสั่นเทิมยกมือขึ้นปิดปากไว้จอมพรานกัดริมฝีปากแน่นกล่าวออกมาแห่พร่าจนจำเสียงตัวเองไม่ได้มันเป็นความผิดของผมเองครับที่ปล่อยให้แง่ทรายล่วงหน้ามาก่อนตามลำพังเขาพูดอย่างขมขื่นปวดร้าวที่สุดไม่ใช่ละพิน มันเป็นความผิดของฉันมากกว่าที่วิ่งตามมาถ่วงเวลาพูดกับคุณอยู่ตรงนั้นทําให้แง่าสายแผะมาก่อนนี่ถ้าฉันไม่ตามมาคุณก็คงจะมาพร้อมๆกับแง่าสายและสิ่งที่เราเห็นอยู่นี่มันคงไม่เกิดขึ้นพร้อมกับเสียงพูดกระท่อนกระแท่นแทบไม่เป็นคําดารินซบหน้าลงกับก้อนหินนั้นปล่อยโฮออกมาดังๆ ระพินไพรวันพยุงกายขึ้นยืนอย่างแทบจะไม่รู้สึกว่าตนเองทาอะไรอยู่เขาเดิอนอย่างปราศจากจุดหมายไปปะได้สามสี่เก้าแล้วก็หยุดยืนซึมอยู่ริมก้อนหินก้อนหนึ่งริมก้อนหินก้อนนั้นบังเกิดอาการวิงเวียนเหมือนจะเป็นลมจนต้องเอามือเท้ายันเพื่อทรงกายไว้แล้วก็เพิ่งจะรู้สึกตนเองว่า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 ความรู้สึกของรพินทร์ไรวันยามนี้สวรรค์หรือนรกก็ไม่อาจอยังทราบได้เขายกมือข้างที่เท้ายันอยู่นั้นทุบกระหน่ำลงไปบนก้อนหินนั้นอย่างไม่คำนึงถึงว่ามือจะปนพินาศบัดนี้ประสาททุกส่วนชาดิกไปหมดด้วยความโทมนัสและเครียดแค้นเศร้าสลดจนจำแนกไม่ถูก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 เมื่อหวนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ในอดีตระหว่างเขากับแงซายผู้เป็นสหายศสึกเคยช่วยเหลือเจือจานกู้ชีวิตกันมานับครั้งไม่ถ้วนแม้ว่าโดยผิวหน้าเบื้องนอกจะมีลักษณะเป็นเสมอคู่ปรับที่กินเหลี่ยมคู่กันมาตลอดบัดนี้มันถึงวาระแล้วที่ระพินไพยวันจะตั้งคำถามกับตนเองว่ามันเป็นความจริงหรอที่เขาเคยบอกกับตนเองว่า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 ยิ่งทำให้พรานใหญ่แทบจะทนทานต่อความรู้สึกอันเศร้าสะเทือนใจมิได้บัดนี้เขาได้ยินเสียงร้องไห้ของตนเองดังมาจากห่วงลึกของหัวใจดารินพูดไว้ถูกต้องแล้วแงซ า, ายปรารถนาในความช่วยเหลือร่วมมือจากเขาในทุกครั้งแห่งการประเชิญมาหันตบไผ่แม้จะเก่งกล้าสามารถซักเพียงใดก็ตาม แงาสายก็ต้องการที่จะมีเขาใกล้ชิดร่วมพัชนอยู่ด้วยเสมอแต่เขาเองสิเขาเองที่กลับปฏิเสธและผลักใสมันออกไปด้วยอารมณ์เพียงแค่คุณข้องเดือดดาลอันไร้สาระถึงจะอย่างไรเสียเขาก็รู้อยู่ตลอดเวลาแล้วว่าแง่สายอ่อนเยาวกว่าเขาในทุกด้านชนิดที่ไม่ควรจะทอดทิ้งเมินเฉย หรือปล่อยให้เผชิญหน้ากับอันตรายโดดเดียวอย่างคนใจร้ายดารินเคยพูดไว้ว่าเขาเป็นคนใจร้ายใจดบมันก็ถูกอีกระพินไทรวันเป็นคนใจร้ายเป็นคนใจแคบจริงๆเขาพรุตสวา่าช่งตนเองอยากจะหัวชนหินให้ตายดับไปเสเดียวนี้รู้แล้วรู้รอดมันสายเสและ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 ที่แทรกซ้อนขึ้นมาจากความรวดร้าวขมขื่นนั้นก็คือสิ้นแง่ทรายเพียงคนเดียวก็เปรียบว่าแขนซ้ายและขวาของรพินไทรวันขาดสะบั้นลงแล้วในการเดินทางมหาวิบากทางด้านปากเวิงถ้ำอันเป็นวังสถิตของวายาจอมนครซึ่งบัดนี้คณะนายจ้างและพวกลูกหาบทุกคนกำลังหลับสนิท โดยไม่ได้ระแวงเฉลียวคิดถึงสิ่งใดทั้งสิ้นเชิฐท้าวราริต ท, ท่านหัวหน้าคณะสะดุ้งตื่นขึ้นเป็นคนแรกจากเสียงระเบิดกึดกก้องของไรเฟิลสองนัดที่แววมาตามลมดึกเสียงนั้นชัดเจนทีเดียวจะว่าใกล้ก็ไม่ใกล้หร่ยจะว่าไกลก็ไม่ไกลอดีต ท, ท่านทูตทหารบกลืมตาโพลงขึ้นแต่ก็ยังนอนอยู่ในท่าเดิม เพราะไม่แน่ใจว่าจะเกิดจากกุปาทานหรือไม่เอามือตบควานด้านซ้ายซึ่งจำได้ว่าเป็นที่นอนของน้องสาวรู้สึกว่าโล่งว่างเปล่าต่อเมื่อเอื้อมหางออกไปอีกจึงพบหน้าอกของชายันเขาพงกกายขึ้นนั่งในทันทีนั้นด้วยความสงสัยดารินหายไปจริงๆเชิดฐาขขมวดคิ้วยน่นความงวงเงียบแทบจะหายเป็นปลิดทิ้งหมุนกายไปมองรอบๆอย่างรวดเร็ว ระพินหายไปแงา้ายก็อันตรธานไปจากตำแหน่งที่เคยนอนเอ๊ะท่านหัวหน้าคณะร้องขึ้นดังๆจากเสียงนั่นเองชายันกับมารีจึงพลิกกายลืมตาขึ้นมองทั้งสองรู้สึกตัวขึ้นพร้อมกันพอแลไปในความสลัวรางตะคุม่มเห็นเชิดฐานั่งเลี้ยวหน้าเหลี้ยวหลังอยู่ก่อนแล้วก็พรวดพลาดลุกขึ้นมาทันทีมีอะไรเหรอครับพี่ใหญ่มารีถามเสียงตื่นตื่น น้อยรบพินแล้วก็แง่ทรายหายไปไหนหรืวไมหยกห ย, ยกไม่ถึงอึดใจมันเนี่ยครับคล้ายครับคลาว่าจะได้ยินเสียงไรเฟิลสองนัด น, นะฮะ่าชายันสะดุ้งหันมาสำรวจไปรอบรอบตัวโดยเร็วพร้อมกัมมาเรียและทั้งสองก็พบความจริงตามที่เชดถาบอกพรานใหญ่ดารินและแง่ทรายไม่ได้นอนร่วมอยู่ในที่พักด้วย แต่พวกพรานพื้นเมืองอื่นๆขณะนี้ยังหลับสนิทไม่มีใครรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเลยเพราะความอ่อนเพลียก็รู้สึกตัวเมื่อไหร่เชิดถาสหายของเขาถามเร็วปรือก็เดี๋ยวนี้เองหูมันแหววเสียงปืนก่อนนะนนและแกกระเมยไม่ได้ยินเลยเหรอฉันไม่ได้ยินเลยนะเพิ่งจะตื่นก็ตอนที่แกวมือเขย่าตัวนี่แหละถ้าเป็นเสียงปืนก็น่าจะมีพวกเราคนอื่นๆได้ยินบ้างนะ เธอได้ยินหรือเปล่าเมมายยสันหัวฉันก็มาได้ยินเหมือนกันนะแต่เสียงปืนมันยังไม่สำคัญถ้าก็ว่าสามคนนะหายไปไหนแล้วหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไม่ทันจะขาดคำพูดของแมมสาวทั้งสามก็ต้องสะดุ้งขึ้นสุดตัวเพราะได้ยินเสียงระเบิดของกระสุนแทรกความเงียบมาอีกครั้งสะท้อนกล้องไปท้งหุบเขาอีกหนึ่งนัดระหว่างที่เชตหาชัยยันและมาเรีย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 สอดแทรกมากระเสียงระเบิดของกระสุนซึ่งดังทอดจังหวะเป็นระยะห่างชัว่วอใจตอนหนึ่งนัดนี้หูของทุกคนดูเหมือนจะแววเสียงต้นไม้ใหญ่ล้มเสียงก้อนหินพลิกและเสียงแผดร้อมคำรามฟังคล้า ย, ายช้างเอาเขาให้แล้วชัดเลยคราวนี้ชายันร้องลั่นออกมาทาั้งๆั้ที่ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือเท่าที่ทุกคนรู้ในขณะนี้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 เชิดถากมาเรียเหลือบเห็นซะก่อนจึงวิ่งเข้าไปจับไหลไว้อย่าลุกขึ้นมาวายานอนอยู่กับที่ท่านหัวหน้าคณะสั่งจอมวานอนดวงตาเป็นประกายวาวโรจนายใหญ่วายาได้ยินเสียงเสียงของไอ้สามเขามันกำลังบุกเข้ามาแล้วนายใหญ่เจ้าไม่ต้องกังวลรอกวายาเราทุกคนรู้ตัวแล้วแล้วพวกเราบางส่วน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 แต่ก็รวนเรกันอยู่เพราะยังไม่มีคำสั่งจากนายใหญ่ขณะนั้นธร ม, มนชกันสามสี่ตัวก็วิ่งพรวดสวนปากทางเข้ามาตรงเข้าไปบอกภาษาตรงก็ไปส่งภาษาบอกความแก่พญาของมันลั่นไปหมดวายาหันไปพูดกับพญาลิงวายาหันไปพูดภาษาลิงกับบริเวณเหล่านั้นเร็วปรือแล้วก็หันมามองเชฐดากมาเรียด้วยอาการตื่นเต้นร่าร้อ น, นแทบจะระงับไวไม่ได้ อิริยาก็ฮึดหัดเหมือนจะเพน ล, ลุกจักแทน่นแต่ทั้งสองคงช่วยกันรั้งตัวไว้บอกเร็วสิวายาบริวารของเจ้ามารายงานว่าไงเช่ดถาถานในขณะที่ตนเองก็ยังตัดสินใจยังไงไม่ถูกใช่แล้วนายใหญ่วายาเข้าใจไม่ผิดไอ้สามเขาคนพบทางและบุกรุกเข้ามาถึงทินของชาวนะครลิงแล้ว นีลามาตามพวกของท่านล่วงหน้าไปดักแล้วคงเกิดปะทะกันขึ้นลิงพวกนี้ไม่ได้ติดตามไปด้วยแต่คอยฟังเสียงอยู่ได้ยินเสียงของการต่อสู้ยังไม่มีลิงพวกนี้ตัวใดรู้ข่าวขณะนี้พวกเราทั้งหมดตื่นขึ้นเตรียมพร้อมแล้วอีกไม่นานมันจะบุกตะลอยเข้ามาถึงใจกลางเมืองเราสั่งให้พวกเราออกตามหลังไปเดี๋ยวนี้เถอคะครับพี่ใหญ่ มาเรียพูดอย่างกระวนกระวายเราจะตามกันไปทั้งหมดนี่แหละเชษฐาตัดสินใจแล้วบอกกวายาโดยเร็วว่าวายาสำหรับเจ้านะเราขอร้องนะให้สงบนิ่งอยู่กับที่ตามเดิมและสั่งลิงบริวารของเจ้าให้ช่วยนำทางกับพวกเราด้วยเราจะไปกันทั้งหมดเดี๋ยวนี้วายาหันไปวงการกับทํามนนที่แวดล้อมอยู่เหล่านั้นทันทีสองสามตัวพละออกจากแท่นของประมุขมัน ลงวิ่งสีขานำออกไปรอคอยอยู่เบื้องนอกทันทีเช่ดาเอื้อมมือมาตบไหลว่วายาเบาๆแล้พยักหน้ากับเมยชวนกันรุดตามออกมาสมทบกับชา ย, ยันและพักพวกทุกคนที่ยืนกระสับกระส่ายรอคอยอยู่ต่างมีปืนและไฟฉายครบมือท่ามกลางบริเวณหน้าลานของถ้ำที่พักซึ่งบัดนี้แม้หมอกจะลงจัดและถูกปกคลุมด้วยม่านอันดาสนิทของรัติการก็ยังรู้สึกได้ดีว่า ทั่วบริเวณเมืองลิงตื่นขึ้นพร้อมกันหมดเคลื่อนไหวกันอยู่อย่างพลุกพล่านตื่นตระหนกโดยไม่ปล่อยเวลาให้ศูนเปล่าไปเลยแม้แต่วินาทีเดียวมาเรียตะโกนสั่งเป็นภาษาพมา่าไปยังสางตากับขยินให้ออกติดตามหลังธมลซึ่งทำหน้าที่เป็นมัคุเทศไปโดยเร็วเพื่อจะได้ไม่หลงรอยเพราะเจ้าลิงพวกนั้นจำนวนหนึ่งห่อรุดหน้าไปโดยไม่ยอมรังรอบุญคายันเกิดและเสร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 ซึ่งเป็นตรงข้ามกับเสียงของการประทาเบื้องหน้าที่ได้ยินแววมาเพราะบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นความเงียบอย่างเต็มไปได้วยปริศนาภายหลังจากเสียงระเบิดของกระสุนนัดสุดท้ายและเสียงการเพิดร้องอย่างดุร้ายของไอ้สามเขาไม่มีใครกล้าทำนายเหตุการณ์ได้นอกจากจะรีบรุดไปให้ถึงและเห็นกับตาเองปัญหาที่เชธฐาไชา ย, ยันและมาเรีย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 แต่ทำไมน้อยถึงต้องไปกับพวกนั้นด้วยในเวลาเช่นนี้ไม่ยอมบอกให้เรารู้ซะด้วยไพรวนชวนน้อยออกไปละมั้งมาเรียว่าหล่อนมีความเป็นห่วงเพื่อนสาวขีดสุดเชษดถามเม้มริมฝีปากแน่นพยายามจะขบคิดถึงเหตุผลอย่างผู้ใหญ่และสันศีสักเรายังเดาอะไรไม่ถูกทั้งสิน้นแต่ไม่น่าเชื่อนะว่ารพินจะชวนน้อยออกไปในเวลาและสถานาการณ์เช่นนี้ เสียงปืนทั้งหมดดังกี่นัดครั้งแรกมันดังสองนัดติดๆกันตอนที่ฉันนอนฟังอยู่อะเว้นระยะมาสักสองสามอึดใจที่แกปลุกที่ปลุกแกกเมขึ้นมาแล้วตอนที่เรากำลังพูดกันอยู่มันก็ดังขึ้นอีกสามนัดเว้นช่วงเป็นจังหวะทั้งหมดก็ควรจะเป็นห้านัดแล้วก็เงียบชีไปเลยทั้งเสียงพวกเราสามคนนั่นกเสียงไอ้สามเขาแล้วแก ค, คิดว่ายังไงเชษฐา นหัวหน้าคณะเงียบกริบไม่ตอบอะไรทั้งสิน้นเพราะเขาเองก็ไม่กล้าที่จะคาดการอย่างใดได้ทั้งสิน้นแต่มาเรียบอกมาอย่างคนใจหนักว่าฉันเชื่อมือไพยวันกาแงสายนะลักษณะของเสียงปืนที่ดังให้ได้ยินตามที่พี่ใหญ่บอกมันน่าจะแปลได้ชัดเจนว่าสองคนนั่นนะเอาตัวไอ้สามเขาอยู่ราบคาบแล้วลําพังแค่สองคน น, นนะาไม่เป็นไรหรอก แล้วเราทั้งหมดก็คงไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนตามออกมาเดี๋ยวนี้นอกจากว่านอนรอฟังข่าวแต่นี่นะ่ะมีน้อยติดไปด้วยอีกคนนะึงก็เหมือนกับว่าทั้งสองคนนะ่ะมีภาราเพิ่มขึ้นเราก็กำลังจะไปดูหเห็นกับตาแล้วเดี๋ยวนี้ไงชัยยันวิตกวิจารอะไรในขณะนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกเชิถาตัดบทในส่วนลึกของจิตใจเขาเองก็ห ว, วั่นไหวสังหอนยังไงบอกไม่ถูก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 แล่นสวนออกมาเมื่ออีกสามคนวิ่งกรูเข้าไปน้อยระพินเช่้ารองขึ้นอย่างปิติยินดีแท้แลเห็นน้องสาวและพรานนำทางปลอดภัยและอยู่พร้อมหน้าส่วนชั ย, ยันก็ถามในทันทีว่าเป็นยังไงบ้างเอาอยู่หมัดไล้ใช่ไหมไอสามขานั่นหรือว่ามันเปิดหนีไปแล้วขณะที่ถามสามคนที่เป็นฝ่ายเข้ามาทีหลัง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 เพราะไม่ได้ยินเสียงของมันเคลื่อนไหวอีกเลยแต่เสียงของพรานใหญ่ขาดหายชะงักไปเพียงแค่นั้นแต่อะไรเหรอระพินมีอะไรเชิดาฉุกใจถามมาโดยเร็วคำถามนั้นเองสร้างความเงียบงันให้เกิดขึ้นชั่วขณะและบัตรนั้นเองทุกคนก็แทบหัวใจวายดับเมื่อได้ยินเสียงสะอื้นของดาริน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 ใบหน้าของเขายามนี้ทุกคนเห็นว่ามันเซียวคล้ำมองผิดไปกว่าที่เคยเห็นมาตลอดในตาทั้งคู่แห้งผากกล่าวเพียงแค่นั้นเขาก็หมุนกลับเดินนำํำรงไปที่ก้อนหินซึ่งปวกครานพื้นเมืองกําลังรายล้อมก้มลงมองอะไรอยู่ชุนลมุนทั้งสามคนที่ตามมาภายหลังสาวเทาว้าตามเข้าไปในทันใดอย่างหายใจหายใจคว่ำ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 ที่ถูกบดแหลกลานอยู่ใต้ก้อนหินโผล่ท้ายส่วนน้อยออกมาให้เห็นและผ้าโพกขูผืนนั้นเชิดากับชยันยืนจ้องตัวแข็งเป็นหินไปชั่วขณะมารียอุทานอะไรออกมาคําหนึ่งอย่างตกใจสุดขีดเบิกตามองทั้งสองสิ่ง น, นั้นอย่างแทบจะไม่เชื่อสายตามีอาการเข่าอ่อนเหมือนจะเป็นหลบทั้งทัง ท, งที่เป็นคนใจแข็งที่สุด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 ไม่น่าเลยแงสายเอ้ยข้าเห็นเองอยู่หลัดหลัดเสียงใครคนนึงรําพันขึ้นปนร่ำไห้ดังมาจากกลุ่มพรานพื้นเมืองในขณะนี้ปลุกผวังอันมึนงงของเชษฐาขึ้นท่านหัวหน้าคณะยกมือขึ้นรูปใบหน้ากวาดสายตามองไปยังทุกคนที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้อันเป็นภาวะอันเงียบสงัดและเศร้าซึม จนสุดที่จะบรรยายได้ระพินในขณะนั้นไม่มองสบตาใครนอกจากแลจ้องอย่างปราศจากจุดหมายไปยังหินก้อนนั้นดารินไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเอาแต่ปิดหน้าสะอื่นกระซิกกระซิกอยู่เช่นนั้นพวกพ่านพื้นเมืองทุกคนเริ่มปรากฏร่องรอยของน้ำตาที่หลังออกมาจากความอาลัยรักเศร้าเสียดายสุดซึง้ง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 สำหรับเจ้าคนใช้พิเศษนามว่างแง่ายซึ่งเมื่อยังมีชีวิตอยู่ร่วมด้วยนั้นทุกคนก็ไม่สู้จะรู้สึกอะไรนักพยายามที่รู้ว่าได้จากไปแล้วเช่นนี้จึงเพิ่งจัดระหนักได้ดีที่สุดทุกคนเต็มไปได้วยความรักอาลัยและเสียดายขีดสุดจนยากที่จะกลั้นน้ำตาไว้ได้ไม่น่าเชื่อเลย ไม่น่าเชื่อเลยว่าแง่สายจะพลาดในครั้งนี้ชยันพึมพำพร้อมกับโครงศีรษะอย่างเศร้าใจหมอกลงหนักมองอะไรไม่เห็นแล้วมันก็ซุ่มรอคอยจังหวะอยู่แล้วระยะประจันหน้าจวนตัวคงจะกระทันหันเหลือเกินเชษฐถาพูดด้วยเสียงกระซิบขณะที่ออกเดินตรวจบริเวณอย่างถี่ถ้วน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 เพราะถึงจะยืนเศร้าเสียดายอะไรแงซ า, ายอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ช่วยอะไรคนที่ตายให้กลับชีวิตขึ้นมาได้พักผ่อนแรงไว้ดีกว่าในยามที่ทุกคนเต็มไปได้วยความเศร้าสร้อยเผชิญกับเหตุการณ์อันสันสะเทือนใจที่สุดในยามนี้จึงพิสูจน์ให้เห็นชัดได้ว่าเชษฐาวราฤทธิ์ท่านหัวหน้าคณะเป็นบุคคลที่มีกําลังใจอันแข็งแกรง่งมั่นคง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 ดันน้ำกระเราะกระ่าเข้ามาจนถึงจมูกมันนี่ลาร้องครอกหนะึ่งในลําคอแล้วแย่เขี้ยวขาวแง่ถ้ามันพูดตอบได้มันคงจะตอบไปแล้วว่าก็ข่าจะไปกัดสรู่ได้ยังไงล่ะโว้ยแต่เท่าก็มันดักอยู่ใต้ลมหมอก็ล้มจัดแล้วแงใสาตายคนเดียวเมื่อไหร่ถึงลิงพวกข่าก็เละไปหลายตัวเสือกมาโทษซัดกันทําไม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 ทั้งสิ้นเมื่อกลับเข้ามาถึงถ้ำพัดของวายาท่ามกลางความเงียบเหงาวางเวงใจอย่างประหลาดทั้งหมดเห็นวายานั่งพิงพนักขินอยู่บนแทน่นนิลารัดทางล่วงหน้ามาถึงเจ้านายของมันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วไม่ทราบบัดนี้พวกทมน์กลุ่มใหญ่กําลังรุมล้อมเหมือนจะรายงานให้พญาของมันทราบในสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเชิฐากับคณะเดินเข้าไปหา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 ว่าอยาจะสั่งให้นีลานำกองทัพธรรมน์ทั้งหมดไปช่วยเคลื่อนหินก้อนนั้นให้แก่ท่านพรุ่งนี้ขอให้พวกท่านพักผ่อนเสถึอีกนานกว่าตะวันจะขึ้นดีมากวายาเชื่อถาบอกแล้วนำทุกคนกลับไปยังที่นอนแต่แล้วก็ชะงักเมื่อเห็นตรงบริเวณที่พักนอนนั้นบัดนี้ ร่างของพรานใหญ่ระพินไพรวันกำลังนอนตักแหงคูตัวสันเทาเป็นลูกนกมีเกิดกับเสยสองคนกำลังวิ่งบุญเอากระสอบป่านมาหม่มทับคลุมตัวให้หลายพื้นส่วนบุญคำกำลังสารวจนจับคลาอยู่ระพินทุกคนอุทานขึ้นพร้อมกันวิ่งกรูกันเข้ามาจันเงยหน้าขึ้นบอกเสียงสันยังตกใจว่านาย ร้านใหญ่ตัวร้อนยังกับไฟทีเดียว